เอาเป็นปากเป็เสียงเทียนพระพุทธเจ้าตังบัไม่ดังไมไม่ดังไม่ังเลยเอเมนไปเทียน ไม่เที่ยงอะไอะไรก็เป็นรองไปตกอยู่ในความไม่เที่ยงแล้วก็สาธใยายพะสูตรฟังมาคุกตนก็คงละ้ยิน ท, ทํามใจ เป็นปากเป็นเสียงแทนพระพุทธเจ้าเป็นขาเป็นแขนเป็นสติปัญญาแทนพระพุทธเจ้าเราสวดพระสูตรพระพเจ้าแสดงพระสูตรนี้ที่เราสวดสาธยายมาเม่เหวือนเพนเดินแปด ก่อนบริณพันธ45ปีนับจากวันนั้นถึงวันนี้ 2,500 5 5 2,197 ปีเราออกมาสาธยายเรียกว่าอารัฐธรรมจกกักรกวัตสูตรอารัฐสักคณาสูตร จะตุอริสัตชีสามสูตร <c oughs> จดุดท้ายมาสวดปราลิยานาสูตรสูตรปาลิยานาสูตรนี้นับจากวันแสดงพระสูตรนี้มาสองวันห้าร้อยห้าสิบสองปี พิจิงาง่ายทำในใจศึกษาดูโดยเพราะวิชากรรมฐานที่จะตอบโสนนี้ได้เห็นโสนนี้ไม่ใช่ตะโกนเป็นปากเป็นเสียงแต่ก็มีบ้างแต่ว่าจะต้องเห็นสิ่งที่ แสดงเป็นการทําให้แจ้งทําให้เห็นรู้แจ้งจึงจะเป็นของเราเรียกว่ารู้เห็นพบเห็นไม่ใช่คิดเห็นเรียกว่ารู้แจ้งไม่ใช่รู้จําจํามาเดี๋ยวนี้เราก็รู้จากันบาเปิดตําลาสวดกัน จำเอาเมื่อดูไปดูมาก็วางตำลาไม่ต้องดูมันก็ติดได้ติดคำพูดการสวดแต่การติดการสวดนี้เมื่อไปสวดนานๆนนก็ลืมการสวดธรรมจักเคยสวดได้ติดปาก เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครพาสวดก็เลยเลื่องไปแล้วตอนนี้ลูกจอมมันลืมได้แต่ลูกแจ้งไม่ลืมเห็นความไม่เที่ยงมันเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกก็เห็นแจ้งเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็เห็นแจ้งเห็นรูปเห็นนามเห็นแจ้งรูปธรรมนามธรรมเห็นลุ่ยแจ้ง รูปทุกนามทุกรลกโลกนามโลกสมมติปัญญาปัตตุอาการเห็นแจ้งอันนี้ว่ารู้แจ้งไม่ใช่รู้แบบไปเปิดตำลาเราตำลาคือกายคือใจเรานี่ให้มันเห็นให้มีความรู้เึกตัวเราเปิดตำลานา ว, วาโกวาะลักโสดตั้ธรรมชันตี ต่อมาวิภาคปิเทตีหนึ่งต่เมืประกาศละว่าสองอย่างสติความรู้เลือกได้สมปจัญญาควงมรู้ตัวต้องจำเอาติดปากไปสอบนักทรรมตอบได้ได้ไปประกาศมาติดฝาเขียนห้อยฝาไว้แต่นั้นเป็นการลูจ้จํา แต่การรู้แจ้งไม่ต้องมีอัน น, นั้นมันอยู่ในชีวิต จ, จิตใจของเราเห็นก่อนเพื่อก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูดที่ทําขณะที่คิดมันมีสติมันมีสมปชัญญะมันเลยไม่ค่อยผิดพลาดไม่ค่อยมีทุกข์มีโทษถ้าเราลูจ่จอมก็ยังมีทุกข์มีโทษ เวลาพูดก็พูดผิดเวลาทำว่าทำผิดเวลาคิดก็คิดผิดคิดจนนอนไม่หลับคิดจนเกิดจิเลตันหาชดเชยเกิดชีลความโลดความโกรกความหลงทัด <c oughs> ตายฟังเสียงก็ฟังผิดเอานินทาก็มาเป็นทุกข์เขาสนอนเสริญออกมาเป็นศก มันคิดมันเห็นผิดมันฟังผิดมันเอาคิดไปห้อยไปแขนไว้กับเสียงกับรูปไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะไม่ได้ฝึืองขัดตอนทีได้ยินเสียงเฉยๆก็ไปกันแล้วหลงไปแล้วตป็งสุขเป็นทุกข์ได้ ความทุกข์ความทุกข์เกิดจากรูปลดินเสียงถ้ามีรูปมีลดินมีเสียงที่สมมติว่าดีว่าชอบก็ติดเอาบริโภคเอาซื้อเอากโมวยเอาข่มกินเอาถ้ามันต้องการถ้ามันติดแล้วไม่นั้นจริงไม่มีสติสำยัญญะ แ ม, มีแ บ, บประกาศทอดฟ้าก็ไม่ใช่ต้องมาเพิกหัดอย่างนี้ตามใบ่อยรูยม้มากมากรู้ถึกตัวมากมากเชื่อว่าภาวนาภาวนาขยันรู้มันหลงอนะเป็นตัวรู้เอาอะไรทั้งหมด ที่เกิดกับควายเกับใจมาเป็นตัวรู้มาเป็นสภาวะที่รู้ให้ให้หมดเลยอย่าเอาเป็นพอใจไม่พอใจมันก็อาจจะมีบ้างมีสุขมทุกข์ก็จะมีแม้พอใจไม่พอใจเป็นสุขเทุกข์ก็มาเป็นสภาวะที่รู้ล ป, จจกก ป, ปลกุกเบิกไปก่อนส่วนกระแสไปก่อน มันเคยอ่อนแอไปทางนั้นยินดียินลายพอใจไม่พอใจแบบนี้กลับมาสามาลู่สึกตัวอยนางนี้เอาหัดการหัดอย่าง น, า น, านี้หัดให้เป็นการเป็นอย่างนี้ไม่มีใครช่วยเราได้เต้องช่วยตัวเองสอนตัวเองฝึกหัดตัวเองแจ้งขตัวเองเตือนตัวเอง เราต้องเตือนตัวเราด้วยตัวเราแก้ไขตัวเราด้วยตัวเราเราต้องมีสติพิสูจทั้งหลายเธอจงเตือนตนด้วยตนแก้ไขตนด้วยตนมีสติทุกเมื่อจะอยู่เป็นโศกนาพิสูจนะทั้งหลายพระเจ้าตะโกนบอกสมไมพระ อ, องค์ยังมีพระชนอยู่ ไม่ใช่สารที่อยู่ที่ไหนก็มีสติในสังสารสัตนะโมขันลาสาติวัตพระอรหันต์ทั้งหลายเดินไปในป่าสังสารวัฏตาลมเลิ้นน้ำใสไหลยเย็นเงียบสงบ พิโสทั้งหลายก็สเสริญกันว่าบ า, บานี้ดีจริงๆเหมาะสําหรับพระโหโซจูนอนก็พูดเคลื่อนสารฤทธก็พูดขึ้นว่าไม่ใช่เหมาะแจกพุที่มีปัญญาไม่ใช่อาอกันลาก็พูดขึ้นว่าเหมาะแจกพุที่มีฤทธิ์ที่ปฏิหารก็ไม่ใช่ อนุธะก็พู้เคลื่อนหอที่จะผู้ไม่ชานตัดแน่วแน่ชานสมบัติแน่วแน่แนดีวาลีก็ตอวว่าไม่ใช่เหมาะสำหรับผู้ที่มีทรงธรรมทรงวิไหนมีระเบียบเรียบร้อยไม่โลงกันดะเลาะกันอยู่ไม่ใช่สะเลาะกันโต้กันเฉยๆสนุกสนานเล่นๆกัน เจ้าก็เดินไปหาวิสุบพวกเธอพูดอะไรการก็รอยเล่าให้ฟังอ น, อนนน์ก็เล่าให้ฟังเรื่องป่าอ๋อแจพระอนอนน์อยู่ให้ผมอยู่นี่สารวัตรก็เหมาะแจสารวัตรบอกว่าให้ผมเนี่ยอยู่่างองค์ทางพูดกันอย่างนี้ ดูก่อนคิสุวต้องหลายป่านี้ดีสำหรับผู้ที่ฉันบินทำบาตแล้วหรือบาดวางลงนั่งตังต้างายให้ตรงมีสติให้มัน่นเหมาะสำหรับผู้มีสติสามัญญาที่ทั้งหลายก็ยกเลิกไม่เขียงกันเลยสัตทุสัทุสัตทุศ ก็ฮือกขึ้นในป่าสังสารสูตรเราลว่าลงตัวมันดีอยู่ที่การมีสติสมัญญาก่อนพูกก่อนทำก่อนคิดเวลามันพวกมันทำมันคิดก็รู้จับแก้ไขในกรามผู้แก้ไ ข, ใ น, ขในความผิดสมรวมตามหัวจบุกเร่นกาใจมีสติสมัญญาต่งหนดไปก็ไม่หวั่นไหวต่อนินทาฉเฉินได้ ถ้าชีวิตเราเปาะ บ, บางเกินไปหมูหมอเกินไปอะไรก็เชื่อเมื mm. ่อเชื่อเราก็เข้าถึง จ, จิตใจพอใจไม่พอใจอ น, นันต์ไม่ใช่จะไปห้ามตอนนั้นห้ามไม่ได้พ้องงานวันเหมือ น, นเราอ่ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยปลอดภยัย <c oughs> ต้องป้องกันดีกว่า จิ่นร้อนชอนกลางร่างมือให้ดีๆอย่าเจนสลุยสล้อยสำบวมมาระวังการใช้ชีวิตอย่าสลุยสล้อยใจกายใช้ใจก็สาธะเกินไปสำสอนเกินไปคิดอะไรก็ได้สำบูวมลองบ้างมีสติโต้ตอบวาใสสำบูวลองบ้าง อย่าเป็นไก่อย่าเป็นไก่โจกเกินไปไปจากไหนก็สรุปเฉลยไปเลยไม่ดีดูหน้าดูหลังโดยเจ้าเคยเอาบอกพระสงฆ์ให้เอาอย่างกวางกวางป่าเวลาอยู่ป่ากวางไม่ไปหาเงินมันมองข้างหน้ามองข้างหลังไม่ใช่เดินลุลุตไปเดินไปแล้วก็หยดุดงอง แล้วก็ไปอีกก็หยุดมองบางทีพระเจ้าก็สอนเน้ยเอาอย่างแย่รู้จักแย่ไหมแย่เขาเรียกอะไรฮะรู้จักแย่ไหมไอ้ข้ากับจิงโขจิงเหลนเนี่ยจิงก่าเลียวมันอยู่ในลูก <c oughs> ็ออกขาเจียนมันขึ้นมาในจากรูมันโชวขข์คอเพื่อน้นอย สักนิ้วเดียวพอมีเห็นมีดวงตาเห็นเขาก็มองรอบๆเห็นไหมเห็นแย่ไหมอยู่ในวัดไหนมีอยู่นะแถวเนี้ยหลงตามาปล่อยไว้จูบคอขึ้นมาก็มองหันหน้าหันหลังดูขออกโปลขึ้นมาสสงขาหน้ามองไปยืดคอขึ้นเห็นที่ไกลๆชั่นหน่อยอตองที่มันจะไปกินตรงนั้น มันก็มองหาเหยื่อพอเห็นแล้วก็วิ่งไปกินก็วิ่งเข้ามาหาลูกปล่อทิ้งนิดหน่อยมีอะไรก็ขึ้นก็วิ่งเข้ามาหาลูกสัตว์ตัวใดที่โง่มันก็อยู่ไม่รอดชีวิตของเราถ้าไม่สมบูรณ์ก็โง่ถูกมารเอาไปกินไปเป็นความรักของชังจนเสีอชีวิตไป ทีเอาความรักไปเป็นชีวิตเอาความจังไปชีวิตไม่ใช่ชีวิตเราต้องไม่เป็นอะไรหาตัวเองเรามาใช้อยู่คนเดียวแล้วอยู่ในโลกกับโลกกับรถ ก, กับกินจับเสียงมันมีรถ ม, มีชาติถ้าสมบวรไม่ดีมันจะติดรถติดชาติในโลกนี้มีการหลอกกันรถ ก, ก็ทำให้เราติดเสียงก็ทำให้เราจิตโลกก็ทำให้เราติด ได้เขาสร้างบริษัทขึ้นมาเพื่อหลอกกันกน็แต่เพราะใบหน้าน่ยเขาสร้างบริษัทเป็นร้อยๆพันๆบริษัทหาจินกับใบหน้าของคนเม็ดสิวเม็ดเดียวก็หาจินได้ถ้าค น, นไม่รู้นะเสียเงินเสียทองจิตใจข้ออะไรสำคัญ ทบกระเทือนเรื่องดอ่อนแอเรื่องไดก็ก็อาจจะเก็บปวดตรงนั้นเหมือนแผเปวดบางจิตใจไม่ได้เราอยู่ในโลกอย่าหวนไหวง่ายเกินไปทำตัวมันน้ำถ้าจะอ่อนอะไรทบอันนี้หน่อยก็นิดหน่อยก็ดีขึ้น ต, ตัวเหมือนภูเขาสิลาแทงทึบไม่สเสือนพัดลมตอนเชื่อมแข็งไม่สเสือนพัดลมนินทาเฉนเฉินอารลลมณ์ปากของคนเหมือนภูเขาสิลาแทงทึบไม่หวั่นไหวผู้มีสติชมชญะจะเป็นเช่นนั้นไม่หวั่นไหวให้โลกได้ไม่เจ๋เจลียตายก็ไม่หวั่นไหวเพราะฝึกมาดี ความที่จะวางมีสติสำเญะวางกายวางใจลงได้เหมือ น, นเรานั่งแผยขี่แพยความที่จะวางแผยลงให้มันโจมลงไปในน้ําขึ้นฟังได้ไม่ต้องไปโจมไปกับแพไม่ต้องไปแบกแพ่ขึ้นไปด้วยแล้วก็วางก็วางถ้าเอาหยุดก็หยุดอีวิตนี่มันเพื่อหยุดอะไรก็อะก็ต้องหยุดให้เป็นต่างให้เป็นเย็นให้ได้ ถ้าเอาก็หนักถ้าหวังก็เบาถ้าเอาก็หนักหนัดตัวเองจนไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรนองสติเท่านี้ลหละไปไกลนะถึงมากถึงคนรนวะมหลงเท่านี้ไปไกลไปถึงอบายภพเป็นภูมันต่ำไม่เจริญเปตสุรกายสันนลกเดือดฉันอย่างประมาทพระพุทธเจ้า ก่อนตะวนัน่านสั่งนักสานาตะตาาในพิกาเวอมันตยามมโวดอกกนท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทตวารของเราพระสาวดเจ้าเป็นคำสั่งสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์ให้เห็นแจ้ง อย่าเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์อย่าเอาความไม่ทุกข์มาเป็นทุกข์อย่าเอาความหลงมาเป็นความหลงอย่าเอาความโกรธมาเป็นความโกรธให้มีสติปัญญาให้ขอมีส่วนร่วมด้วยอะไรทุกข์ให้มีส่วนร่วมว่าไปดูด้วยมันสุขมันทุกข์ไม่ต้องทุกข์ก็ได้อย่าตัดสินใจด้วยตัวเอง ช่วยกันว่างช่วยเราว่างก็มีส่วนในหัวใจด้วยเวลามันหลงไม่หลงก็ได้นะให้ไจเยินเอาไว้เวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้เวลามันทุกข์ไม่ทุกข์ก็ได้ไม่มีอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าสอนพวกเราอย่างนี้นองเห็นความมาเที่ยงแทนจะเป็นทุกข์เป็นนิพพานได้เลยม้องเห็นความไม่ทุกข์แทนทจะเป็นทุกข์เป็นนิพพานได้เลย ถ้ามองเป็นถ้ามองไม่เป็นก็ไปทุกข์เป็ น, ทนโทษปัญหาเกิดกัญญาไ่ะถ้าคนทําอะไรไม่ผิดไม่ได้ทํางานถ้าทํำอะไรผิดถือว่าคนทํางานแล้วอย่าทําผิดซ้ำวันนี้เราบอกคนทํางานอย่าไปเก็บอกเก็บใจเวลามันผิดมันพลาดเป็นบทเรียนที่ไม่ค่าเยอแย่แ ชีวิตเราอยู่ร่วมกันเราอยู่คนเดียวเราอยู่กับงานกับการด้วยอย่าหลงให้ศึกษาชีวิตเรื่องนี้บ้างมันมีอยู่สูตรเนี่ยสูตรชีวิตอ่างสูตรของคนดังกายออเวทนาจิตธรรมเปิดตำล่างครับไปเห็นเข้าไ ป, า ไ, ปได้หลักไม่หลักแล้วกายเวทนาจิตธรรมไม่หลักเข้าไปไม่ติดตรงนี้ แต่ก่อนตรงนี้มากัดขังเอาเหมือนด่านเป็นด่านที่เราผ่านมาได้ไปที่ใดก็เจอกายแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์เจอเวทนาก็เป็นสุขบปนทุกข์เจอความคิดก็เป็นสุขเปนทุกข์จื้อทำมาลมที่เกิดขึ้นมาก็เป็นสุขบปนทุกข์วันไหวไปตามไายตามเวทนาตามจิตตามธรรมัตรบันี้เราเห็นแล้ว สักว่าสักว่าไปเลยทีแรกก็อาศัยพระเจ้าสอนไว้สักว่ากาสักว่าเวทนาสักว่าจิตสักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาเป็นคำพูดเป็นคําตัดของขพระผู้เจ้าออกจากพระโอษฐของของค์เองเมื่อเรารู้ไปรู้ไปจะเป็นคําพูดของเราเราจะพูดคํานี้ออกมาได้อย่างองอาจทักท้วงได้ <c oughs> อย่างเนี้ย จนเห็นรูปเห็นนามมิดหลักฐานได้รูปมันบอกนามมันบอกไม่ต้องไปค้นหามันแสดงให้เห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นนามอะไรที่เป็นนามรูปลม <c oughs> นามเป็นยังไงมันเป็นรูปทานามทำยังไงเป็นรูปทุกตามทุกอย่างไร มันเป็นรูปโรคนามโรคอย่างไรมันเป็นสมุติอย่างไรมันเป็นมันหยัดอย่างไรมันมีวัตถุอาการอย่างไรมันบอกเราก็ได้หลกักฐานมาไว้มันเป็นสูตรสูตรของชีวิตไปสูตรที่สร้างไปสูตรที่ลือ้อเหมือนกับสร้างว่านสร้างเรือดสร้างขึ้นมาก็ลื้อได้ อัาไหนที่ลืมไม่ได้ไม่ใช่ก่อสร้างประตูก็เปิดได้ปิดได้หน้าต่างก็เปิดได้ปิดได้เดินได้หยุดได้วิ่งได้ก็หยุดได้ไม่มีแต่วิ่งไม่มีหยุดก็ไม่ไหวชีวิตของเรามันประเสริฐกว่าสาัตวาา์ดิลจารมีปัญญาด้วยรอบรู้รู้หมด รูปจากนามนี่เป็นแหล่งแห่งความรู้แปดหมื่สี่พันยอยู่ในกองรูปของนามเนี่ยไม่ต้องไปก้นตํำราเล่มใดพระไตรปิฎกเขียนตองว่าเป็นภาษาไทยแปดสิบห้าเล่มแปดสิบเล่มเป็นภาษาบาลีสี่สิบ้าเล่มแปดสิบเล่มออกจากประชนมายุของผู้เจ้าแปดสิบพรษา 45เล่มนับจากอายุพรรษาขององค์45พันษาโดยเอาไระไตรปิดกให้ให้ได้สัดได้ส่วนแบบนี้เขียนเป็นหนังสือขึ้นมาตำราเล่มใหญ่พอถ้าไปเปิดดูก็เห็นมีประวัติไร้จริงยังไงสมมูลแบบ อ่าตำลาได้แล้วมีแผนที่แล้วไปค้นหาก็ยังเห็นหลวงตาพูดอยู่เนี่ยก็เอาจากตำลาเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่พูดตัวเองเห็นตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าได้สอนจากนี้ก็ทําให้เห็นตามทําให้เห็นตามครับสอนพระเจ้าพอเห็นเราไปทําให้เป็นด้วยทําไมได้ด้วย อ่าเช่นตระกูลที่จะมังคั่งอยู่นานได้เพราะเหตุสี่ประการหนึ่ง้จักซ่อมแามพระจุดที่คำค่าสอง้จักแสดงหาพระจุดที่หายไปแล้วให้เกิดมาสามแสดงพระจูที่แสดงหาพระจุดที่ยังไม่มีให้มีขึ้นสี่บุรุษจตีที่เป็นพ่อแานไม่เรือนให้เป็นมีคนมีสีนเนี่ย อันนีมั่ ง, งคั่งตระกูลที่เสื่อมชามตั้งอยู่ได้อันไม่ได้เพราะไม่ซ่อมแซมพระจูที่ก้ำค้าไม่เจอปัญหาพระจูที่ห่างหลยไปไม่เจอปัญหาพระจูที่ยังไม่มีให้มีขึ้นบุรุษเตีผู้เป็นพ่อบ้านแม่เดือนขี้เกียจชี้ข้านแย่งข้ามหมากาข้ามนีเขาอยู่ได้ไม่นานไม่ต้องไปอ้อนนอนอยู่ที่การกระทําของเราจช่นะมนี่พระเจ้าสอนเราไม่มีพ่อ พ่อตายนี่จากอาศัยการเล่าเดียนไปมาสอนตัวเราวดเป็นแน่น้อยก็ดีนะมีประโยชน์นะลักษณะข้อควเกียดติค้านมีลักษณะห้าประการหนึ่งอ้างว่าร้อนนักไม่ทํางานทานํท า, าการสองอ้างว่าหนาวนักไม่ทํางานทําการสามมักอ้างว่ายังเช่าอยู่ไม่ทําการงานทำงา น, งา น, งานสี่มักอ้างว่าหิวนักไม่ทําการทํางา น, งานห้าอะไรฮะ กี้น้อยกีใหญ่เ <laughs> ออเอามาสอนตัวเราถ้าเวลาใดอ้างว่าเช้าอยู่ไม่ลุกอ้ยไอเกียดขั้นตัวนะ่ะไม่ได้อย่าให้สิ่งเหล่านี้มาอ้างนี่ทำมหาจินอย่าตามใจเกรีนไปเอาข้อวัดปฏิบัติคำสอนของพ่ อ, ข อ, พอของแม่ของครูอาจารย์ของพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์เยอแยะเลย ก็จรจัดอย่างยุคคนดังออกบดมันก็มีอยู่จริงมีใครบ้างมีอาโนนอนอนรุท ธ, ธะอุบาลีเทวทัตยุคคนดังอุบารีเป็นโลกช่างตัดผมช่างกันบกส่วนอาโนน อ น, นุรุทเทวทัตเป็นลูกของกษัตริย์ไปอีกคนหน่งฮะยุคคนหลังออกปวดจนกันออกปวดโอ้อ น, นุรุทธะฮะจำตอนดอมตอนเรามันลืมมันเสื่อมหมดแล้วไปไม่กลับเราเทีวยวแหลงก็ไปไม่กลับ ตาหูจมูกริ่นไปไม่กลับ <c oughs> ปีนี้ก็ไม่เหมือนปีกาอนะเดินเนี่ยยึกยัดเกอ่อนขะาไอคอนะต้องใส่ไม่เท้าไปไม่กับอยากจะเป็นไก่แก่โคเแก่อยากดีกเด่นอยู่คนเดียวไปไหนอยากไปคนเดียวกลัวเขาจะลังเขียน เดินไปก็อยากไปคนเดียวแต่มันจาเป็นต้องอาศัยทิ้งผู้ที่เพิ่ง่าอาศัยเวลาต้องอาศัยถ้าใจจริงจริจากไปอย่างนั้นแต่มันไปไม่ได้แต่อันนี้อย่างกินยาจะกินข้าวเดี๋ยวนี้ตอนเช้าไปฉันที่สาหน้า เขาหางให้กินที่นั่นเหมือนเคยโคลเจ่เคยกินที่นั่นก็ไปตอนกลางวันไว้ฉันที่กะตีหลวงพว่อกรมตอนเย็นไปฉันที่กะตีโนนไม่ใช่ฉันข้าวนะฉันนา้าบานะมันจะต้องกินยาทุกเวลาวันละสามมือ้อวันละสามครัง้งตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็น ต้องกินอาหารพอได้กืนข้าวรองทอง้องยาวางสายเพทต้องมีอาหารหลองหมอสั่งตั้งอาหารให้ถูกต้องตามหมอสั่งให้ถูกต้องตามเวลาจึงจะมีประโยชน์ต้องเชื่อหมอนะนั่งอยู่นะ่ะเราก็โลดมาเพราะหมอเนี่ย เป็นเทพพิดาเทพประบุตรของเรามีปัญญาช่วยเราอยานี้ก็อาศัยพวกเราเพื่อนๆอนอยากจะหนีไปอยู่คนเดียวก็ก็ไม่ได้ไปไม่ได้จึงต้องเป็นผู้อาศัยเป็นผู้อาศัยอย่าเลืมม่อม่าอยู่นี่ก็ยังมีผู้อาศัยเราอยู่ อย่าเนึกว่าเราตัวคนเดียวมีตัวที่คนทำให้เป็นผู้อาศัยคนอื่นได้มีตัวที่ไม่ต้องตัวเองหมดกว่อมสามารถต้องอาศัยคนอื่นมีเหมือนกันดังนั้ยก็ต้องมีที่บ้านเรามีพ่อมีแม่พ่อแม่พูดในใจหลนตาไปถ่ายทำมาจากประเทีอื่นเดียวได้ภาพมาที่นี่ไม่มีนะ อเออขอทองไหมนะในแม่อ้มโลกแม่ป่วยโลกไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพอเห็นโลกแล้วลูกขึ้นมา่อยมีกำลังใจกอดโลกพูดในใจว่ายามแจเท่าหวังเจ้าพ่อรับใช้ยามเจ็บไข้หวังเจ้าพ่อรักษายามต้องสิ้นใจหวชีวา หวังให้เจ้าปิดตาเวลาตายนี่ยังมีพุ่งพื่พุ่งหรอพ่อแม่พี่น้องหวังพึ่งลูกพึงเต่าทุกคนมีพ่อมีแม่เราไม่หวงพ่อหวงแม่ต้องคิดว่าแม่ต้องหมองเราพ่อต้องมองเรากลับบ้านเชียบบ้างให้ข่าวให้ข่าวว่างอย่าถึงกับว่าเราเไม่มีพ่อไม่มีแม่เลย เดลานี้เรามาปฏิบัติธรรมมีคนอาศัยเราอยู่อย่างน้อยพ่อแม่อยู่บ้านลูกชายของฉันลูกสาวของฉันไปปฏิบัติธรรมอยู่ของจะดีขึ้นเยอะแยะมีความหวังพ่อแม่ทุกคนหวังเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีถ้าลูกเป็นคนดีเขามีความสุขใจถ้าลูกเป็นคนชัวว่วก็ทุกข์มันแยกไม่ได้ ใครมีสามีสามีก็อยากให้เมียเป็นคนดีใครมเมียก็อยากให้สามีเป็นคนดีใครมีพี่น้องก็อยากให้สามีพี่น้องเป็นคนดีจนถึงทามเห็นพระพุทธเจ้าไปบิน ท, าท่าบอดกันหลังขวดจนหน้ากำลังกวดตาจู่หน้าบ้านพระเจ้าขอจอด บ, บินทบาบตอนเช้า ถามเห็นพระเจ้าเดินบิ็นธบาตยืนเนาะยืนไม่ขวาตาดเลยปัดโถปโัดโถปัดโถท่านทำไมจังตื่นเต้นเห็นพระเจ้าเิ็นธบาตแล้วก็พูดออกมาว่าใครมีลูกชายฉางนี้พ่อแม่อะไรนิพพานเห็นแล้วเย็นใจ ใครมีสามีอย่างนี้ภรรยาได้นินปานใครมีพี่ชายอย่างนี้น้องได้นินปานใครมีน้องอย่างนี้พี่ได้เนปานเนี่ย อ, อะไรอะมันเยน็นแล้วจากของคนดีก็มีระวังขีดยาเมรยาดไม่ผล ผ, ล ผ, ลผลนันแผ่นแลนไปบ้าน เย็นใจให้คนเห็นเย็นใจดีกว่าเขาเพื่อนล่วมงานเย็นใจนะเรามีทําให้สามีเย็นใจทาให้พัญญาเย็นใจทำนะพี่น้องเย็นใจอย่าทําให้กันร้อนใจเห็นหน้าเราร้อนใจมีไหมไมันต้องเย็นบ้าง เห็นหน้าพันยาเย็นใจทำงานไม่เหนื่อยเพราะเห็นหน้าพันยาอยู่บ้านนาะหายเหนือหน่อยเลยมีไหมฮะทำงานเหนื่อยเนื่อยกลับมาบ้านเห็นหน้าสามีเย็นใจหายเหนือหน่อยเลยมีกำลังใจนะคนมีกำลังใจอย่างนี้ไม่ทุกข์ไม่จนมีอะไรก็สู้ตากตัวเป๋ ถ้าเดือดหลอนไม่มีกำลังเลยเข้าค่าแจงแรงค่าม่อไม่มีอะไใจใจจะทำาอยนะทุกจนนะใจไม่ดนะีต้องทำให้ใจมันดีนะอันนี้ต้องพึ่งอัดตัวเองนะเรื่องนี้วิธีใดก็ได้กดกด อีเมลสุก็โตก็มีนะในทีวีนะประเทศต่างประเทศเขากดปับ๊บยกเบืองต้นบอกโอ้นีหลวงพ่อเทียนนะสมัไหมมันมีอยู่นะเจำเนรเป็นแขนหลวงพ่อเทียนอย่กดแล้วจะเห็นละ่ะสุก็โตมาได้เลยนะคิดว่าเดี๋ยวนี้จานตุ้มจานนดจานตักเสียงกำลังจะให้เป็นนานาชาติ อยากจะมีแช่มอยากทำแช่มพระสงฆ์เดี๋ยวนี้ตามหลังญาติชมนี่ที่สารนสกก็ัสองสาถกชวนกันมานัดกันมาทำใบพระสงฆ์ไปทำังไนว่าจะไปเสนอเจ้าอำเภอให้จัดการคณะสงฆ์เราในบ้าให้เจรย์ทรงสินเทพวนไว้ในที่ต่างๆ เป็นเข้มคิดว่าพออยู่ได้นะโจกโตอยู่ได้ไหมเรงทานพออยู่ได้ไหมเอาห่อข้าววันละห่อสักเจ็ดวันได้ไหมห่อข้าวให้เวลาใครมาปฏิบัติทั่วข้าวห่อดนังกวดน้าํากวดหนังได้ไหมเจ็ดวันร้ 7, 000, 100, 000, อยห่อเกิดสิบปีเจ็ดร้อยห่อถ้าเจ็ดวัน น้าเกเลียดร่ อ, อ, อยอาวเจอได้ไหมอยากจะนัดแบบนี้นะในช่วงที่มีชีวิตอยู่นะเอากันบ้างอย่าทิ้งกันเห็นใครไม่ดีขอถือว่าเป็นความผิดของเราอย่าไปเกลียดเขาทำไมถึงว่าเป็นความผิดของเราเรายังไม่ได้สอนเขา เธอสอนเขาแล้วเขายังไม่ดีปุ๊งนี่มีอยู่เขาอาจจะดีแต่ป้๊งนี่เขายังไม่ดีเดือนหน้าจากมีเขาจะดีเดือนหน้าแต่เดือนหน้าไม่ดีปีหน้าคงจะดีได้แต่ปีหน้าไม่ดีชาติหน้าคงจะดีได้ <laughs> ให้คิดแบบนี้พอเห็นกันปั๊บรักกันเลยชังกันเลยใช่ไม่ได้เลยมันสั้นเกินไปให้เหนียวแน่นจักหน่อยเราอยู่ร่วมกันในโลก จะลังเกียดกันจนเกินไปสงสารคนที่ไม่ดีให้มากนะถ้าหลงตาไม่ใส่จุดนี่นะจะอุ้มเด็กนะเคยสอนเด็กนักเรียนเด็กํำได้จไใบจำบ่าแต่มันไม่เหมาะนะในเพศนี้มันก็ไม่เหมาะากอุ้มเด็กจะเล่นอยู่กับเด็กน้อยลอกเด็กเห็นพ่อแม่บางคน ลูกลองให้ตามมาซุกของลูกมั้งพี่แต่ลองให้ตามกูทาไม <c oughs> มันก็รักแม่บ้านมันจะ้ะมันก็ต้องวิ่งตามเพราะแม่หลังเกียดลูกเวลาลูกลองให้ตามซุกของลูกแบอโอ้ยอยากไปอุ้มเด็กน่อยขึ้นมานะสองสารเด็กมันไม่เลียงสาระมันสื่อๆแต่พ่อแม่ไม่ค่อยงอง ม, แบบมองมันแบบเป็นเด็กมองมันแบบเจ็ีดใจเรา แม่คิดยังไงคิดว่าลูกคิดอย่างนั้นมึงอย่ามากับกูเธอไม่ได้ลูกมันคิดถึงแม่มันใจจะขาดให้ลองให้ไปจนใจจะขาดแม่ ย, ยังเอามือชุกของมันล้มลงไปใช่ไหมเห็นไหมอย่ายมันมันทําให้หลงให้ไม่น้ำใจแจ้งหน่อรักกันยี้มพิกคอนหล่อบางทีก็อยากจะทาอะไรมันทําไม่ค่อยได้ มันหลวงพ่อเทียนว่าผมจะไม่จะไปต่างประเทศผมพคงจะนุ่งเสื้อใหญ่ผมก็จะนุ่งเสื้อใหญ่จะไปนั่งสอนนลวงพ่อเทียนก็ไปใส่ชุดเชิญยิงๆนั่นที่สิงคโปร์ห้มามไม่หยกเบลล์ร้อยจียี่สิบหกห้ามไม่หยกหลวงพ่อเทียนป่วยหนักจะไปสิงคโปร์ พวกเราสมัยก่อนหลวงตาอยู่วัดโมกนะไปบริหานวัดโมกไปไประชุมกันบอกว่าตอนนี้หลวงพ่อเถียนอาพาธมากแล้วพวกเราต้องอุปถากให้ดีที่สุดแบงเวาลากันสร้างกติให้ใหม่หลังแผนออกแบบกติเราออกแบบแบงบไปเพื่อหลวงพอ่อหลวงพ่อไม่ต้องไปสอนธรรมะผมสอนเองผมจะเป็นปากเป็นเสียงแทนหลวงพ่อเองว่าไม่ต้องไป เอาฟังเฉอถึงเขาผมจะไปสิงคโปร์ไปทำไมเขาหนึ่งหมดให้ไป <c oughs> มันไม่เท่าใหจังมีคนอีกเยอะที่ยงไม่รู้หลวงพ่อก็ป่วยหนักแล้วนะเดินจง ก, กรมยังอ้มท้องอยู่ไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไปก็ไปไปกับคุณจูสี เป็นล่ามไปห้ามก็มาอยู่งประชุมเพระหลวงพ่อเทียนไม่อยู่กับเราหลวงพ่อไม่อยู่กับเราเวลาส่งหลวงพ่อขึ้นรถหลว่อเทียนไม่เชื่อพวกเราหลวงพ่อไม่เชื่อเราคอยไปรับศพหลวงพ่อที่สนามบินนะโกรธนะวันนั่นนะปี น, นั่นนะวันที่สิบสามที่ผ่านมาไปวันอายุหลวงพ่อเทียน ก็เลยแสดงให้เพื่อนฟังว่าอย่างอย่างพูกหลุ่มพ่อกับแม่นะไม่ใช่พูดเพราะกลุมเกลียดชังห่วงหลวงพ่อมากก็หลวพ่อก็ปล่อยพูดออกมาได้เลยเราหลวงพ่อมาอยู่กับเราหลวงพ่อไปสิงคโปร์แล้วพวกเราคอยเป็นรับจบหลวงพ่อที่สนามบินก็หลวงพ่อเทียนก็หัวเราะนะหัวเลาะ ไปไม่ถึงอาทิตย์เดียวนะหลวงพ่อกลับงานแล้วอยู่โรงพยาบาลสิริราชเกือบได้ไปรับศพ <c oughs> ไปได้ลหลงฝานสิริราชนอนน้ำลายโป้มปากน้ำลายโป้มปากอยู่บนเตียงไม่รู้อะไรนะอาจารย์ชูจรีที่เป็นล่ามไป อาผ้าเช็ดน้ำลายลองเพื่อเทียนเราหมายเช็ดหน้าน้ำตาตัวเองทั้งเช็ดตาน้ำตาทั้งเช็ดปาดต้องเพื่อเผ้าพื้นเดียว <c oughs> โอ้เต็มทีแล้ววะแล้วก็เอายังไงพวกเราวัดีก็นอนอยู่หล่อหวันไม่เห็นทำอะไรก็เลยหมอวัฒนาหลงหวานสมิติเวสขอย้ายหลงหวานไปสมิติเวส ไปตัดกระเพาะออกมาช่างโด่เกดกิโลก็เพาะเนี่ยไม่มีไม่มีถุงเลยเต็มไปล้ยก้อนเนื้อตัดทิ้งไปเลยอาวเทียนอยู่ได้ไม่เกินสองสามเดือนวเร า, าก็พยายามใช้ชีวิตอยู่นั่งเกตไปมา อดชีวิตหลองเนมะื่อปีสองพันรอยสสิบเ็ดในวันที่สิบสามที่ผ่านมาเราก็ไหวปฏิบัติบูชาหลวงก็ในคืนวันที่สิบสามที่ผ่านมาไม่หลับไม่นอนกันเลยโดยเพราะพวกผู้หญิงเจ๋งกว่าพระพระไม่เห็นมีที่ไหนทีเหลวงพ่อบหลวงพระเงียบหดเลย มีโยมผู้หญิงสิบบี่สิบคนนะปฏิบัติกันแดิจองก็นั่งนีแล้วก็ไปนั่งอยู่ด้วยกำลังข้อขมไปแสดงทําทไปพูดอยู่เอา้าสมควรจะกับพวก อ, อ, อมกัน